วันนี้จะเทศในเรื่องจิตให้ฟังอีกวันไหนประเทศในเรื่องจิตนั่นแหละไม่ได้อื่นไกลเราเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าร่างกายทั้งหมดเราไม่เห็นจิตเราจับจิตไม่ได้จึงยากในการปฏิบัติ แล้วเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็อยู่ในทุ่งในนาเราจับตัวไมนได้ผูกตัวไม่อยู่มังก็ยุ่งสิก็ไปแล้วทุกแห่ทุกคนซัดต่างๆที่เราผูกมันได้เข็นตัวมันมันยังก็อยู่จิตก็ชน้นเหมือนกันทานเทศจนนาวะ ทุรังขะมังเอกัจจังอาศายดังคู่หาเสียงเยจิตตังสัญญะสันติโมฆะันติมาได้บันธนานเทศไรเนนอย่างนี้ <c oughs> ทุรังขมังเอกัจจาังอสัยดังคู่หาเสียง มันแปลภาษาไทยแล้วว่าคิดเป็นของไม่มีตัวเที่ยวไปในที่ต่างๆได้แต่หากกลับมานอนในสริระคูหาคือร่างกายอันนี้ถ้าหากใครทัรวมจิตใจแล้วคนนั้นจะ ค้นจากบ่วงแห่งมารเถละนะจิตของคนเรามันกัดแขลงไม่อยู่คงที่คำว่ า, าจิตในทีน่นี้นะอย่าไปหาตัวเลยไปหาตัวไม่เห็นหรอกความคิดความนึกความรู้สึกขันน่าะเป็นตัวจิต มันนึกมันคิดตรงไหนก็อยู่ตรงนั่นแหละจิตไม่อยู่ที่สมองหรอกไม่อยู่ที่ประสาทหรอกไม่อยู่ที่เซลล์หรอกอะไรทั้งหมดตายก็ได้มีมเซลล์มันยังไม่เห็นให้อยู่พื้นที่ใดนั่นมีเซลล์มันยังเป็นจิตอยู่ได้ไม่มีสมองมันเป็จิตอยู่ได้ เหตุนั้นความรู้สึกตรงไหนนั่นแหะเป็นจิตสองเท่นน่ะไม่ว่าอยู่ข้างล่างข้างบนแต่พื้นเท้าถึงสีสั่หมายว่าทั้งสวงมดอยู่ได้เดียวกันทั้งนั้นเราไปยึดตรงไห น, นตรงนั้นเป็นจิตของเราเราไปยึดเห็นหลักฐานี้ไปยึดแล้วก็เห็นตัวตัวมันแล ตัวมันยึดนย่งนล้คือความรู้สึกเกิดขึ้นในทีนน่นั้นนั่นนายเรียกตัวเป็นจิ ต, ตนั่นนดยเรียกก็จิตซะก่อนนะเราเราหาผู้คิดผู้นึกพูดสรงายในที่่างๆหาตัวนั้นได้เห็น ลรวหาตัวนั้นเห็นและจับเอาผู้นั้นแหละผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกกันและให้อยู่คงที่ธรรมดาสติเข้าไปควบคุมจิตเมื่อควบคุมจิตแล้วมันรู้จักจิตมันก็ต้องอยู่ไม่รู้มันจะคนนอยู่คันรู้แล้วนั่นเน่ยเชื่อฝุกจิตให้อยู่คงที่ทีเดียว เมื่อจิตผูกตรงที่แล้วอาการสูงองการแ่กทั้งหลายมันจะหายลงไปหมดโดยความสภาพเป็นจริงของมันมันจะไม่แต่งอนี้มันถึงเขาถึงความสภาพเป็นจริงของมันมีแต่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกนั้นจะเป็นของอยู่ตรงกลาง ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดส่งไปทางน้นทางนี้อยู่ตรงกลางเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วนั่นแะตัวใจหัวใจแท้ทีเดียวคนเราพูดทั้งใจมันต้องพูดถึงของของกลางอะไรทั้งหมดที่จะพูดถึงของกลางเหรอ ต้องใจทางนั้นเนี่ยตรงกลางทางนั้นเน่ะพูดถึงเรื่องใจตรงกลางทานั้นพูดถึงหัวใจของคนก็ใจยึดตรงไหนก่อที่เขามาทำกลาง อ, อก่อนใจมือใจเท้าก็ที่ก็ตรงกลางนั่นแหละพรนะว่าผมดถ้าไหวใจแต่พูดตรงกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ไม่คิดดีคิดชั่วตัวนั่นแหละตัวใจแท้ที่จิตนั่นเราคิดเราสดีตามจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องของมันดีเกิดเมื่อรู้เรื่องของรู้เท่ารู้ตัวของมันแล้วมันจะเข้ามาเป็นใจจิตกับใจก็เดียวนั่นแหละ ท่านพูดเป็นอันเดียวกันแต่ตอะดามาพูดแจ้งออกเป็นอันทำไมท่านยังว่าจิตทำไมท่านยังว่าใจท่านอันเดียวกันทำไมพูดกันจึงว่าพูดอันเดียวอันนี้จิตเป็นยังว่าจิตอยู่ใจก็ยังว่าใจอยู่ในนะ้นเะมาจึงเคยพูดเป็นสองอ่านจิตนั้นคือขวงมิดขวงมนึกใจนั้นเป็นของกลางกลา เมื่อจิตตามจิตไ้เมื่อสติตามจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตแลมันจะรวมเขนเป็นใจสติจิตรวมมันเป็นอันเดียวเมื่อเข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดใจนี้ถ้าหากว่าถึงของจริงแล้วมันจะเป็นเอก คือมันรวมว่าเป็นเองอัน ท, ท่ายังไม่รวมรวมไม่เป็นเองไม่เกิดเองเป็นเด็กก็ยังไม่เข้ายังไม่จถึงใจแท้เป็นแต่อนุมานั่นแหละที่ว่าเรียกการล้างสายอย่งคู่หาสายยียงจิตตัวนี้แหละมันพุ่งสร้างส่งสายไปมาสาระปะรัจจุบันรอบด้านรอบข้าง พอทันไฟไปก่อนแล้วเราคิดจะไปอย่างไปสีที่ทา้งไหนนี่เป็นต้นไปแล้วมันกลับมารายหอ น, แ ล, นแล้วมันใจมันไปคิดมันไปลายหอนแล้ ว, ไ, ลวลไปแล้วกลับขึ้นมาไปแล้วกลับขึงว่ารายหนนแะกลัวตัวจะเด็ดไฟนั่นโอ้ โ, โอหมันลายหลหลายเที่ยวแล้วหนาเยอะเกิน เราจะดักยังไงยังไงก็ดักเถอะจะดักที่ตาก็ดักเถอะดักที่หูจะหูลิงไกยก็ดักเลยเอาแล้วมาดักก็ดักไม่อยู่มันตรงเที่ยวไปคนเดียวเด็กกับอาจารย์เที่ยวไปคนเดียวไม่มีสรีละร่างกายเสียด้วย แต่มันก็ไม่หนีจากกาดเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ตราสใ ด, สดก็ g r a มาอยู่ที่นี่แหละมันนอนที่นี่แหละกลับมาเองมันไม่มีใค ร, ครบัน g r a วิ่งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเวลาการประกาศมาเองถ้าหากว่า เราตั้มรวมจิตแล้วจะพ้นบ่วงแห่งมารตั้มรวมจิตตรงนี้แหละให้เข้าถึงใจตั้มรวมจิตได้เข้าถึงใจมเมื่อไรแล้วพ้นบ่วงทางมารเมือนั้นคำว่ามารมานในที่นี้ท่านพูดหลายอย่างขันธถ้ามารทีเลสศมารมัจจุมานเทพบุตรมาร ปิ้นแจ้งารมารมีหักคันธามาได้เกตตัวของเราร่างกายที่เกิดมาได้ขันหักเรียกว่าคันธามา ท, มทําไมจึงเรียกว่ามารเราเกิดขึ้นมาและได้ตัวมารพร ม, มันจะพ้นจากมารได้ยังไง มาในที่นี้หมายความเรื่องการเบียดเบียนเรียกว่ามาดเป็นอุปสรรคของการเป็นอยู่อาการเจ็บการป่วยทําการงานไม่ได้สุขภาพไม่เพียงพอทําการงานไม่ได้เพราะนั้นเป็นหมอเป็นมาดเวืที่เกลียดที่ข้านกเป็นมา ทำการทํางานไม่ม่ตําเดล ร, รูร่วมไปได้นั้นก็เป็นมารมันที่มันเกิดจากกายนี่แหละเรียบประมาณทั้งนั้เรียกว่าขันธ์มารมันพูดละเอียดลงไปเรียกวขันธ์หน้าเลยเป็นมารูปเวทนาสัญญาเรื่องขันวิญญาตพูดละเอียดตลงไปงั้นที่เหลือสมาน ที่เลดที่มันกเกาะเกี่ยวอยู่ในใจของเรามันเกิดความรักเกิดความชังความเกลียดความโกรธราศาสทุกอย่างแต่ทุบเท่านั้นกระทบปั๊บเท่า น, นั้นก็เกิดปุ๊บขึ้นมาเลย ท, ทันทีมั น, นนั้นมันไม่ให้ใจสงบลงไปได้มากหมายได้อยาก ที่เรียกว่ากิเรสสัมมาในทีน่นี้ไม่เราทำดีได้ทำดีไม่ได้เราตั้งใจเอาภาวนาอย่างนี้แหละ เ, เกิดความโกรธจนจะพบจนหายหายหมดเลยภาวานาไอา้พิสังขะเทวบุตรมาในการคือความที่จะทำดีเป็นต้นวะ เราจะทำบุญทำกุศลเราทำดีทำดีได้รกราดต่างๆจิตมันไม่ปกติใจอะคือไม่ถึงใจมันจะยุ่งจากการทำในการกระทำนี่แหละอยากจิตอยากดีอยากวิเศษวิโสอยากได้เป็นป้าสวรรค์อะไรต่างๆวันนั้ น, น, นเรียกว่าเทวบุตรมา มาพี่สั้งขารละมานคล้ายๆกันนะั่นเนี่ยความปรุงความแต่งให้ยิ่งใหญ่อยางวิเศษวิโสคล้ายๆกันนะั่นเนี่ยเกษวุฒตมาตอนท้ายในมัจจุมานถานี่ทําดีทําดีไม่ได้ทาด่านต้องมาเจมานมาถึงแล้วมติทาง จะทำบูน้ำก็ต้นเท่านั้นจะไม่าบทํากทำใจก็ไม่ได้มไมไดนะหมดแล้วหมดเท่านั้นเนี่ยคือความตายเรียก ม, มาจูมาถ้าไม่ได้ต่อไฟไม่ได้ในชะ่ไหมวันนี้ที่เรเรียกว่ามารหา่ามารห่านี่แหละถ้าหากคนใดไม่จารวมใจมันจะต้องผ่านคนมันจะต้อง มีอุปสรรตรงนั้น่ะมันหายไม่มานได้ก็มานหนึ่งปีดกันป้องกันไม่ทำดีในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตร่างกายอยู่สมบูรณ์ปริบูรณ์เรามีสติมีอุบายปัญญามีความสามารถที่จะชำระ ไม่ให้ใจไม่ให้จิตวุ่นว้สงสัยจนเข้าถึงใจดัง น, นั้นพนจากบ่วงแห่งหมาถําว่าบ่วงแห่งมาในที่นี้นั่นใจในคนของมันมันต้องดักอยู่ทุกด้านทุกทางดักให้อยู่ในกำมือของมันทั้งนั้น พระพุทธเจ้าทันเทศนาว่ามารเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจะสำเร็จมรรคผนิพพานก็ชำระมานทันได้ชำระชนะมานได้ปัญจามาเลสินีนัสโธพัมโบติมุตตมังต้องชนะมานหาดิเจต ค้าว่าชนน์หมายความว่าร่างกายของพระองค์ก็ยังมีอยู่มันจะชนะได้ยังไงหมายความว่าพระองค์ไม่ยึดไม่เข้าไปยึดในร่างกายนั้นหันนั้นไม่หันห้าที่อธิบายมานั่นน่ะมานห้าที่อธิบายมาพระองค์ชนะได้ ด้วยการไม่เข้าไปยึดถือมันเป็นไปตามเรื่องของไหมท่านอธิบายไดอย่างเรื่องชน ะ, ะเรื่องชนะมาซึ่งชนะมาได้พิจนาเห็นอ น, นิจจังทุก ข, งขงาาังอนัตตาก็เป็นเรื่องชนะมารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามข่ำก็เรียกว่าชนะมาได้ รเราพิจารณาตัวของเราเป็นขันอเป็นธาตุสี่ก็เป็นเครื่องชนะมารได้ลองดูถ้าหากว่าเป็นธาตุสี่แล้วที่นี่อะไรตัวของเราเนี่ยแหละมีธาตุสี่สนั้นนะ่ะไม่ใชุ่ผลไม่ใช่ค น, ไ ม, คนไม่ใช่อะไรทั้งหมดเป็นได้เพียงธาตุสี่สนั้นนะ่ะเกิดขึ้นระดับระดับไป เมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปเงินจะไปยึดอะไรมาไม่มีเครื่องยึดยึดมันก็ไม่อยู่ใ น, นอำนาจของตนนั้นเรียกว่าอนัตตานันเกี่ยวพันกันหมดพิจนาถึงกรรมพิจารณาถึงธาตุสี่เกี่ยวพันกันหมดลงอนัตตาเดียวกันในศาสนาพุทธเจ้าสอนลงอนัตตาอันนี้แจงทุกขังนั่น มีแล้วแต่ก่อนพุทธกาลก็เคยมีคนน่าร้ายก็พิจานาเห็นตั้งแตกอันนี้แจ้งทุกขงังแล้วอันนั้นเห็นได้ง่ายส่วนนักการนี่แม่นมันเห็นในยาก ท, ทั้งทั้งที่ปรากฏอยู่แต่ไม่เห็นก็ควมไปยึดอันเดียวอันนี้จึงเรียกว่ามาไอ้เพ่งเรียกว่า มานหาผู้ใจผู้จะต้งไอผู้จะ ไ, ไม่คลองทั้งเรื่องมานก็โดยการทำจิตนตนตนให้สงบตามเทปีบาลม่ด้วยสการอย่างนี้เราสํารวมใจของเราคนเดียวต่านี้แล้ว จะไม่กระทบกระเทือนทั้งเรื่องโลกทั้งหมดต่างคนต่างสำรวมด้วยกันทั้งหมดแล้วเลยอยู่เดกประเทศของใครของมันทางนั้นไม่มีการเบียเดเบียนซ่กันใจในมันของสำคัญทุกคนหาเงินตในได้แล้วรักษาบ้านเมืองประเทศชาติดตลอดหมด จะรักษาได้ยังไงเขามารักษาใจของเราแล้วพอรักษาได้แล้วสิไม่เบียดเบียน er ทกันไม่เบียดเบียน er ทิ้งกันเด้ดขบางคนไม่มีเบียดเบีย er นทกันเด็ดขาดคนเราถ้าหากคนหนึ่งัะในหมู่สักร้อยสักพันคนซ้ำรวมใจคนเดียวได้คนอื่นเมื่อก่อนมันไม่แ น, น่นะก็กไว้อย่างเช่นก่อน คนอื่นก็สำกัญพระพุทธเจ้าได้สอนให้สํารวมค์คนเดียวทุกๆคนฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าน่ามีการสํารวมใจด้วยกันทั้งนั้นถ้ารัมมใจนนยังสนไมได้แล้วเป็นเหตุให้วุ่นวายเดือดร้อนกระทบกระเทือนเบียดเบียนสิ่กติกะเหตุ น, น, นั้นและการสํารวมใจเป็นของดีมาก เมื่อใจเราสงบอยู่นิ่งคนอื่นมันจะยุ่งสักเท่าไรก็ยุ่งไปเถอะเร า, ะาต้วงหาดวงเราไว้ก่อนโลกอันนี้มันจะยุ่งสักเท่าไรก็ยุ่งไปเถอะแต่ตัวของเราคนเดียวไม่ยุ่งในขณะที่โลกยุ่งมากๆเราต้องเข้าหาตัวของเราเราไปยุ่งกับเขา ตัวเราไม่รักษาความสงบโลกทั้งหลายแตกกระจายมดทั้งโลกเมือนเราก็แตกไปแตกเรารักษาความสงบคนเดียวเท่านั้นนะโลกมันแตกกระจายไปเถอะวุ่นวายไปถเถอะเราสงบคนเดียวได้ชื่อว่าทําประโยชน์แก่ตนพระพุทธเจ้าก่อเทศนะเมื่อครั้งยตุพระ ไปลบพวกศาสตร์วิยาศาสตร์ต้องการอย่ยให้ให้วิธุธภา а กลับจักเทศนาสั่งสอนอยู่กลางทางประยุ์ดักอยู่กลางทางเทศนาสั่งสอนด้วยวยเงีย้ยผายต่างๆทั้งสองหนหนที่สาเนี่ยเลยไม่ไปราะว่า ก, กรรมของเขา มันจําเป็นแล้วเมื่อกรำรถึงแล้วพวกนั้นมันได้ทำกำรรไว้มันจะหลีกเลี่ยงไหมคนทำไง่ายยังไงก็ไม่หลีกเลี่ยงคนอง่เลยทอดธุระเลยพรงเทศนาว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราอยู่เป็นสุกหนอมนุษย์ทั้งหลาย เป็นเวรซึ่งการใดกันเราอยู่เป็นสุขดีนั่นเข้ามาอาตัวนักปราศทั้งหลายต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องวุ่นกับเขาถ้าปกติดีๆแล้วก็ทําอย่างนี้แหละแล้วก็ทํำไปกับโลกกับบ้านกับเมืองนี่แหละอย่างที่เราทําสงครามทำหายช่วยสัส่นนั่นสั่นนี่อะไรต่างๆก็ทําได้ แรงลักฐานมั่นคงของเรามีไว้ต่างหากเมื่อถึงที่สุดช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องจับเข้ามาหาตัวของเราต้องมีหลักอย่างนั้น <c oughs> ทําเพื่อประโยชน์คนอื่นทายเดียวแล้วไม่ไหวคนนอนมีกิเลสเมื่อทําประโยชน์ในการคนอื่นมันจะเท่าเผื่อเทือนเดือดร้อนมันมาจิตเลยไม่ อยู่จิตได้เดือดร้อนเราก็พลอยเดือดร้อนแต่จดด้วยเขาเลยไม่ดีจิตของเราไม่ดีจิตจะจับก็สายจะร้อนบ่ายก็สบายมดความดีของเราเลยหมดถ่าเลยเลยหมดไปในนั้นความสงบอาการที่เข้าถึงใจนี้มปนของสาคัญที่สุดหนะาที่มาเข้าถึงใจได้เรื่องความมดเร่งจิตทางนั้นเนี่ย มันปรุงมันแต่งคิดมันนึกอะไรต่างๆไปตามอาการข้ามาเนเป็นเรื่องจิตทั้งหมดทั้งเข้าทั้งใจทเรื่องของเราจนให้เข้าใจอย่างนี้เราปฏิบัติพุทธศาสนาซึ่งจะถูกทางพุทธเจ้ า, าสอน <c oughs> เอาละครับนาย